นล้นมันเอาโยนได้ินเลิดน้ำลูกว่าเศ้าไดายยง้งอะไรอย่างเี้ยออกมากูมาตอนที่มาเขาอย่างนี้เ อ, อ, อยู่คนเดียว ก, กันึงมาเล่า ม, มึง <laughs> ทั้งหกอย่างนี้ทังหกเนเขายกเขายกหาจิ้งน้อจิ้จื่ออย่างไรใส่าไม่มีันบ้าทัหาจิ้งข้าวันทน์บัวแต่จิ้านเจนนี้ทั้งหกอ๋อว่ามั้งที่จิ้งเสียงไปหาจินเสียงจิ้ง้านกสีนี้เสียนั่นแล้วว่า กินแบบลักิน่ยเนี่ย้ากินกินง่ายแหม่เสียหากออกหม่นี่ยท้าพวงเนี้ามีหัวกินกันแคไหนวะรถเทหนรถเ่เนี้ยเขาจะกินยางห่าแออว่า ไม่ใช่ปกป้องมาียงนี่น่สา่าสายงสาสาเอาอยู่แม่ลำปกปอมเียนี่เกี่สาเกี่สาเสือนเลยนอาเอาอยู่ลเสายตักมาเี้ยนี่เียตับตาเสือเด็โอ้ิตับด แล้วมันจะมีเยากยากเงินตาย เงินนี้นาทีนรานี่ฉักินข้าวแต่เฉพาะินไปได้เยอะคนไม่ใช่ปากน่าถ้กกลมกล่อมพาตรงนี้เลยนะทำไมหากินอันไดใส่เยอะปากก็พอยากก้อยกินนั้นทานแล้วก็กปากเองมันบร่อจริงด้วเจริง าาันว่าตัวเชื่องจะโดดผมห้องเลยวอ่ผ่ากันเวลาโ ด, ดดหรเชื่เดดก้อนผ่านผานขาดห้างเสืยอให้าเดดไปแล้วโกหึงตับเสืยอไปถดเห้องไมลจากหางโตไปเลยตากไว้ดำต่อตาเด็นยัไงเดียด๋วยวไดว เขาว่าควงตัวดีเห็นไหมลุงแต่งดี่คุณไม่ตช่ไมเก่าจนเดียร์เหนวหัวใต่าายูคนล่างเลยโยกขอนยงกันเขียวหนวดส่นตายมันตัวหนอนข้า่น้ได้ก้งหลังหัวใจหัวเหอ ไม่ก็คุณยุติธรรมได้มันข้างหลังเขาข้างหลัง็ล ข่งถามใทีรยั้งโลกเปยงไงล่ะอาาเขตดีเยหกต่างบวกันรรไปเรื่อยใชหมดล่างตานชื่อทั้งโลกวัตัวใหญ่คุกค้นกับาเห็น คดีนั้นเดี๋ยวนี้พลังนี้คดีนี้คดีแห่นั้นนะนน้นนี่วัดพัฒนาทั้งโลกนะพัฒนาทั้งันไม่ได้ทำได้ เห็นผ่านมื่อนิ้เสีเยงรบกวนคิดใจนีเพื่อการพัฒนา ก็ใหญ่หนเป็นที่หน้าสางหอนไม่มีพระดังวิสขุนดังบวชเปนการสอนถามเร่องขอมูลเส้นอาสน์นัยจิตต์อันคนใหม่คนต่อไปไห่มีพระนาทีกังวลเหยื่อได้ก็หยื่อหนอเอาไปใช้ต่อเองแต่เงินเพิ่มเพิ่มดูกรทั่นั่งโยกันสั่ง เาเห็นบ้านหนึ่งครับเศษตะวันครับเขา่อดี้ผีสังขี้ผีสงเศษตะวันสกุลม่ใ่ีะราเรียตะวันเขาจอดขี้ผีสังทิ้าล่างหรือทิศา้างขาสังช้า้ยะล่าว่าขี้สงถ้าโอนกระบอกรงชในเสการกางท่านของพระ เด่นเจเนบันยัดหลวนพาวิัสางในสางโตเพานปักตั้งค่าทีเซ่พระสีสังสุสางสามความต้องการทั้งตัวคิดจากพาวินัยฝนสางสังที่เป็นเบื่อโมตัพอบัต แล้วก็บด้ให้งี่คือได้ยืมเงินจ้างได้บ้านนก็ดีอาหารงั้นหน้าจะคือทือสองหุ่นงั้นต้นขาดีสร็จ้อที่ข้อที่หกตรงนี้ห้องกว้าง ก็กขึ้นหทกขนตักสอบงาสองสอบหนึนี่นี่ถังได้เป็นที่อาศัยทงในันั้นสองสััอบัตตังค้าทเกจเป็นพุกาบัตเป็นอบัตหลักครับกุ แต่ทางนี้เลาว่ามีนเป็ค่าต่างหันใตัวหนึ่งแสดงจะเห็นทรงแสดงสีในก้อนทรงผสมแสดงสีในก้อนตั้งท่าพิเศษอีกที่อไก่จึงพระต้องเจือหลุดขึใจไปแสดงสีเอาบนหันบนี้ึให้อ่อนง่ายในขัหไม้ถึงน่งคมในขอสีเยืออาศัยทงพระหมายถ้นสูงอีก ไม่ท่ามเลเกินสามสั้นท่ามเกินหนึ่งปั๊บีกมีายขวอร้ายกระทงเรื่องของเรื่อการกสร้างทางพาีน่งบอกเอาไว้ปับต้งใช้คาริการบัดที่อาบัดหนักไปเต็มท้งและคาริการบัดอาบัดเบาในสาขาการสั่งรถคือ เป็นต่าิบล้านใ่ไมหนึงเต่าเงิน่ไมั่นเต่มไหนี่เงินอินเดียก็เงไทยใช่ไหมนี่เนอินเดียบาทเงกัเทาก็ก็บาทของหเป็นเงินี่มีราคาคือสมัยนนเงิ่บริหารเสริฟแววันนี้าค่ะแต่ชี้ทางไปอพระองค์ไหนอยู่นี่วะเขานั่งยีนชาคราสิ่งนั่งสังขันจ่ตขันานี่เป็นอรหันต์หมดแล้วแต่มี หวกหบียเสียงเบียดยูหายแต่ตรงนี้เขาจัดแต่งรปนี้ไม่รู้สาขาเลยกระเื่อนอราตนาเขาคือไปเจ้าขอพระหมกกล้าไว้หนี้เต็มมีไปเยื่อสบายการก่อสร้างสมัยธการเครโม้คก่อสร้างด้านหนอก ก็สั่งดันไม่เพื่อสั่งใส่วิจรช่างฝีโดใจสุใจสบายใจสงบใจเย็นเย็นใจดุเวนอัท่านพิังเระสนการสอนต้องเพมันสอนสั่งใส่สอนส่งใจ่ทำาฝีวิจิตรเจ้าใดนสอนโลกคือการสอนใจ หลกให้คือเดืองจี้เดปัญหาหักใจนี่ปันควรหงายหันงเมาไม่เหลี่ยงท้งโลกพ้าพุทธอง์มาสรงสร้างเสิดเราจะให้ถูกให้ถูกต่อพบวาสนาต่อไปครูทีน่าบวชถ่วไปก็อะแต่ไมหนึงแต่ไม่าไมนี้งคือตางค้นตางอินมากแล้ว เบือหน้าแล้วอย่การคิกที่ไม่ลงอย่าการต่างๆนีคือคนสิมีทาหน้าหมีความสูรณ์ี่ยนทางโลกไหมเขาจธเจ้ากับเบื่อหนาในการเกิดการตายื่อหน่ายหลาสมบัติออกมาปฏิบัติจิตใจได้สาคุณบุกัดื่อหน่า ใควจนอยู่คงข้าแร้ว่ะร่วมจนได้ค้นสกุล <c oughs> ดีนีสมบัติพัฒาฐานม่ได้ศึกษาหอนทงโลกมากข้อเป็นคนผีหล่อมลุ้ยหย่นช่างโลกเขานับถือหย่นใสมาแล้วน่อยนับนะทีนี้แม่เดยอดความจนเกาะบ่เคยสมัยนี้สมัยนี้ดือนไง เจเล่เจกะลาวอน้อนบ่อได้ทยไบวชนะจบ่าน้มเยแต่รำคาญทาการทางานเียงชาบ้าอี้ขานไปเขาบวชเหรอขี้ขานหลายเหรอมันหดไรกันนะทั้งนั้่ใครก็ว่าวัดนนักบวชเป็นฐังขยะนี่แต่จะต้องเอาข้องหนีงขึ่นลงไปของขีนี้เป็นข่าราค้าันนี ใครข่าวจะเป็นข้าังนั่นศาสนาเกิดมาั่นพระห้องบริสุทธิ์เน้าศึกษาหลอว่าพระวัดนั่นเม่วัดนี่นนดนบดีบ อ, บ อ, บอาาางางจะมีแต่คนเอาคอมบอดีเข้าไปถึงบัดคือ่ให้มีกิน ม, มีไอ้ อ, อย่างไรเน่าทัเห็นงถึงในวัดมันก็เน่าในวัดถึงในบ้านมันก็เน่าในบ้านขงสือว่าต้องการจะเอาเ น, นให้วัดเดี๋ยวา บางอยางบางคนเขาบอกกันน sure ่ะหลุกใจเสียกันโอ้ยคบใครได้ยี่ค้อชิมไม่ได้เรือเออมึงเออไปจังหันใค่งหล่าวกันท่างน้องนั่นชือเอาสองขี่โมปากถนาไอ้ชิมเหวะถว่าเหะท่านท้านน้องนั่นอันนี้สงบนิดเกิดน้อยปัญญาวิญญาณท่านมัชมาท่านอุตตมาท่านท่านของขิดตนโมปากถนาท่านสิของขิดตนโมตองการท่านสิ ท้องถิ่นบนยิ่งดีอยากใส่เนวดาท่านตามสาราหมกจนให้นักท่านจนขาดแต่ท่านก็ว่าอันนี้ฝนนี่น้อยน่ก็หน่อยนะพอเราโบปาใส่นะเรายุ่งขี้มันมันลาชีหลิบได้บดยเด็กเชื้อาระไม่ใจมาที่มาท่านท่านสมัยเฮากินเฮาใส่ ของสิห้าสิ่งห้าใสยังไหนเขาค่ะไอ้ท่านยางนะอันนี้สงฆ์กันี่สิ่นมาขอประมาณธรรมดาโมนีอันนี้สงฆ์หญิงอันนี้สงฆ์เลิกยึดสมาท่านท่านสิ่งสิเราหวงเห็นท่านจร่งีิเราต้องการท่านสริงส <aslında> ่เรายื <br> ่นดีของยึบของดี่ิเราเลือกเสร็จแล้ว การแหท่านมันเป็นท่านเสนอที่ห่อใส่ห่อสอยห่อยงห่อเห็ห่อเยื้อห่อสินั่นคือว่าฤุธธรรมท่านฤทธธรรท่านกว่าอันนี้สง่าสองเลยด็กนเลยการแห่ท่านอันจนเท่านั่งนั่นหลุดพิี่งเสกิปัญญาม่ศึกษาแม่แบบบัพท่าน หิ้วไล่หิ้วลายพาห้องสิดเด็สุนผ่าอาศัยบอกน้องซ้อนได้จากผีจากไข่เหมือนเวลาแกเถ้ามาเพรเขาให้ตสีปเนีานีความผากความเพียนสือจะเดี๋ยวเรักษาหรือจักเขาบข่ว่าอ่ะหรือจักบุญจักุนหรืดานมนดาหรือจักทำมาหาเลี่ยงสิ พอแี่เจอหังใหญ่หัวใหญ่พอคนหนุ่มมันดีครับหายนั่นไปบวชใจเลื่ยนเนี่ยสมมติสี่พื่นที่อาใส่ละเอาไงสมมตมันจะเป็นใจที่แตกเนี่ยเขาว่ดเขาว่าให้พระให้เจ้าคนซ้อนหายความคิดความอ่านความค้นบ่จะ่า้ของดีจะหายของตัวหาวัดหายว่าคิดเป็นสั่งจะเป็น ท่างดีบอดีในคิดในใจคลองดีคลสี่ห้องอยากได้คองสี่ห้องต้องการน่มั่นเชื้อสละไปมันจะมีอานิสงส์จงหลือีวะสละวิรสละความเห็นแก่ตัวพเจ้าและอานสง์ทำไมเก่ากรันการออกบวชของเพลนอกบวชท่านน้อง่ะอกบวชเพื่อปฏิบัติใจให้คนทุกข์ แล้วคู่ออกบวชบเคคลลบควรผูกพ้นกับแท้ต้นให้เดือดรอนเหนว่าต่างนาต่างตาปฏิบัติกายใจเพื่อความเพลินไปในอัดม่ทําเกิดนั่นถ้ามีในสถานที่ใดไปสถานที่ใดจะมีไพ่มีเวนไม่เป็นแบบอันนั่นก็ทีอยากได้อันนี้ก็จะถ้ำจะวนีจะใหญ่ๆของคนอื่น ทางพารีน่ท่านจะบอกไว้ห้ามไว้การขวบของคนพระพุทธเจ้าคนตลาดที่ถวนหน้าสิดพึ่งพระสติตพระปัญญาไ่มีใคสิเสียบแหลมเถ่าพระพุทธเจ้าเสียบแหลมไม้หลอกขอบแหลสอนทุกแนทุกมินทุกกระทงไมสอนแต่การปฏิบัติใจเท่านั้นการปฏิบัติ ท่ากายจะสอนขี่เงาเพิ่จะสอนพ่นเงินไลเพิ่งจะสอนกินเข่าเพิ่งจะสอนนอนเพิ่งจะสอนพิพิธเจ้าที่ทวนหน้าในไทยม่ที่เป็นสอนไหวที่ได้ปฏิบัติตามท่านตามนี้หน้าที่พิพิธเจ้าสอนไหวต่างหน้าต่างตาปฏิบัติรักษาถึงจิตใจมื่ท่านสนจากเรื่องปัญหาก็ต้นหนาเหลี่ยมไสหนาเจนใจหนาตาไหว เ็นเหนือหน้าบุญของโลกได้โมมีชิดมีไพ่นี่มันไม่เป็นธร้มนั้นสมัยปัจจุบันครักคไงคูอบาอาจารย์เจ้าฝาเจ้ากุ้นมา่งเสริมในการพัฒนาด้านหนกเฮ็ดอันนั้นต่างอันนี้เฮ็ดบุญอิอเฮ็ดบุญอันนี้เพราะว่านันมันเป็นเหนือของข้าเลาว่าสมัยพุธกาลเป็นงกาวไว ในปีสังขยาโยปีสังขยาวยมีโสีวัลักินท่าปาตังเสนาเสานั่นจีรนาปฏิยะนักบวชอาศัยปัดใจทางซีนี่จากฆลาวาสบอมันนักบวชผีฝังเราเองท่านเอาเอง่าหนุผาหงิตประเหตให้ฝ่ายชวนน่อน เมื่อได้คิดท่านคิดอยู่ไหพระพุทธเจ้าบุกให้สอนมีใยเฮมไปพ่ออาศัยปกอวัยวะเพศสิ่งเป็นของโลกทั้งหลายเขาที่ซึ่ง้ีท่ามันมีอส่วนลี้หลาสวยง่ายม่อพ่อกันดิ่มกันยืดกันห้าวกันห่อนพอปกความละอายไวเท่านั้นจานั้นคนกลางไหวอย่างปด เรื่องข่าในสมัยธู้จการมันหนายยากบุคคอสมัยนี้เด็กผ่าบางสกรีนัน่งเรื่องซีนีง้งาแปลกนี้ขึ้นไปเข่นให้สแสวงหาให้เจ็บยี่กับก บ, บัตบางที่เขาถิา่น ม, มันตกมันลนดูนั่นถนนทั้งทางนั่นตอนอย่างเนี้ยเี็บเอาคือของหนีวันนี้ตกของเขาปะปล่อยเขาิ่นแล้วเล่า ไปเหนเขาย็บเอามาตักมาฟอกไว้ได้ลายสิบลายอันจะไม่ย yeah, ิดดกันเขาแล้วมาตัเป็นผ้าสมบัติัดเป็นผ้าชีบอนอันสมัยก่อนขนาดนั่นการมุการห่มเบ่งบอได้ตัวสีไดตัวสีได้ละขนาดเบ่งหนึ่งเือความอบอุ่นเบงหนึ่งเือกันหนาวกันหอนกันหิ้งกันยื่อ คือมันมีเสือความเสือความงานนอนมีสุดเลสีสัญแ่เส้นส้มซึ้งความมันบางงนผ่ า, าบามงนผาแทนเดียวกันขืนเดียวกันได้มาจากไใช่ยึดแมาป ะ, ะติดแต่ต่อกันเขา่านี่คือผ่าบางศุกร์สมัยพุทธกาลจีกาวไหวในถ้ามีไงนอกจากนั่นผาพันขืนคนตายสมัยพุทธกาล โดยนคาคคนโบเผาโบฝั ง, ง, งคืสอส ม, าามัยนั้นท่านจ ะ, ะสอนให้พระกรรมฐานไที่แหน้าตาชาคือไปดูผีในตาชาได้เขาถ่มเยืไกแดดกาดเทียนผีเขาบอกเดี๋ังเดเขาคือเฮ้แต่ท่จะสอนไว้่องทไปท่างใต่ล้ไปทา่ปทานเหงือลมไปดูกรรมาฐานไปที่แหน้ากรรมาฐาน อยากกช้อนไหมคันตายไหมคันเป็นผู้แก่ผู้สาวเพิหญิ้ห่างพระทิศขึเข้าไปพิ่เจรินาเพราะหัวชิดใจที่เกิดที่เกิดปัญหาเันไ่ให้เน่ า, นนาทำคล้องคันนี้ทัดกัดขินหรือมันขึ้นท่องขุ่นอื่แล้วอมันเปี่ยวมันเ น, าน่ามันแตกมันหน่อาออกไปแล้กเพิ่นเหตุเตพยนีนาหนี การเยี่ยมปารซ่าการทิเวน่าทุพภะกรรมฐานเพิ่นสอนไหวสำหรับจิตไปนํางทุพภาสากจบเหมื่นนั่นมาทิเวน่าเผื่อแก้จีรีตันหาท้องใจเพิ่นก็สอนแล้วพาทิพยพบขั้มให่ไม่จบเหมนั่นเพิ่นก็ให้ไปสักบางส่วนเอานั่งนำเน่านาน้องนาเลือดนาเลี้ยงอนไดมันเปลี่ยนออกมา มาซักมาซอกมาท่านเป็นสมบูรง์คีว่าเหม็นหอมิตใจคือไปท่านหลายอย่างนั้นแตเป็นจิตใจคีอมีอัดมีท่อมบอมม่งเพื่อความสวยความงามบอมม่งเพื่อความดูความเดินอันใดเอามาใส่เพื่อเป็นประโยชน์รักษาขาดขันเท่านั้นคนมีนิตใจยังกระบุเท็ดบ่ได้ทําบ่ได้เพราะมันเหมนมันเนา น่พ่นแม่ทีเจหน้าทัาหน้านั่นผาปอทรมสบายสงสัม่ซอยต่างๆหาหน้าหาหน่ะสมัยพุทธกาลไม่ใชอสมัยปัจจุบันนี่สมัยปัจจุบันอ่รจอด้ารโสงมาหนุนวานักเจ้าละมาหนุนเลี้ยวกลัวฆราวสโคแห่งหากูดีหามแตไงตัวนอันใดตัวอันใด คนเจ๋อมเจ๋อคนแม่นกูดียู่หานโบอัดโบอยากลาลงถ้ำมาถึงกับขวังกับขวังอยู่สะดวกสบายบวชยืหานอันไหนก็รู้ลามันคิดกันกับสมัยพุทธกาลมากเรื่องเราเนี่ยิดใจมันก็คิดกันมากคนถี่อาจมีท่านไม่ิตในใจหางายสำหรับพระสำหรับเจ้าก็ดี นี่จะนวลมากดอกแจงจะนวนปริมานเ่ีมันจะนวนคุณภาพนี่หลายในวัดเมหนึ่งพระเจ้าพระสงฆ์แจฟวิสิงหอัทั้ในจิตในใจคุยดิจนไปเถอเนือหน้าบุญเปียนจังมันหายเงี้ยมทีใจหน้าแล้วมันนือจังแจกาฝากศาสนาหลวงเน่ศาสนาแจนของศาสนาหายากเต็มทน สมัยปัจบันท่านการเราไม่ส่งเสริมกันไปใสร้างไม่างผิดไปละวคือไหนจ๊ะว่าือไหนเนี่ยเสร็จยังท่าในที่นอีกวะคืนอีกเนี่ยได้เี่ยเราบดได้ไปตังไม่ตังขืนหลัดหลดตำถนนคนทังขอหาข้อยึดอีสาอันนั้นสางอันนี้ได้ไปกันงพระพุทธเจ้าเพ่นจหามโอ้ยเรื่องเรานี่หามหมดแล้ว โมนิย่าทองตนมนิโตว่าหน้าท่องตนห้ามขอขอได้มน้าเป็นอาบัตสำหรับพระภัยญาติขอได้ยึดข้าจิตให้ขอจริงจังจนลักผานี้ไปใกล้ใหม่หมดทำไมสามผืนขอก็ได้เชื่องสองผืนทำไมสองผืนขอเขาได้เชื่องขืนหนึ่งอือเรื่องพระเน่ เรวเจ้าเหย่โอเคไใจที่ที <inches> ่าหามาหบอมันอยากได้อะไรจะหิบอโอโหที่เียวเขาควรจเจารอบครอบที่ทวนเื่องเราบอมันคนมีกิเลสว่าคนมดกิเลสว่าจังหนาเหลี่ยมไซน่ะยิ่งดีหนเขารบทั้งๆทีถันเป็นการชัดเขายืดยืดสบายเขื่อเสวยอาหารอันตรนเค้ ประทับบรรทมในสถานที่ลุล่างามตาเคยมีคนอุปถัมภะอย่างแน่นหนาฟ้าแข็งบุคคัวเข่ามีสนองตั้งหกมือข้นนี่แตั้หกมือขวดง่ายมันขนาดใดล้วเข่าเชอมตตาไปเสียบไปเียบก็โอ้ยสินี้ไปเห่อังกันหงแหนขนี้หลาตอนนึงจจงได้หรอ มี่คืไปใช้ได้บุ๊กอายุก็ยังเย้าเพียงยีรุษเก่าภาวะศัียงีรเก่าตีมีออกจากหลาต้นแบบเป็นนาอัดจันทร์นาเรียนใสพระพุทเจ้าของเฮงเป็นเห็นไพ่อันตรายยาชากุณบุตรต่อขึนแต่วัดข่ายขึ้นมันก็ฮู้ใจเจ้านอกจาัชอบักค่ววนฟุ้งก็่าหลวงแต่เจ้ามีคนทีนี่จะเกนนี้ที่เท่านานี้ น, นะฮะซาเล่ยบุญ โ, โกลา่าก็เป็นลูกของพ่อบา้านเป็นคนที่หลังลุ้ยเข่าคล้องเงินท่อเวลาคนไปดูเหมือนว่าเราพบพบนั่นต่งตงตงางๆธรรมาดาคนนึงมันจะเพิดเพื่อนถ้าเกิดปัญหาในใจมั่นนี่ต่เด้วยอํำนาจทาบันดานใจดูไปดูมาเลยคิดขึ้นในคิดในใจคนที่เม่าเมาเศดูอยโยกตามคนที่เล่นหรกระตาม อีกว่ายคตายสมมติพวกเรานี่ท่านผีนี้จะตายอยู่บนนอนคิดโดนมันดานใจถินยางนันท่านผีดนี้ควรได้ไปเนี่ยไปสอนกะได้หาท่านประพฤติปที่บัตรห้าหนกกระท่ำคือท่านตีขามพ้นไปจากโลกจากว่างเกิดความเจ้าความตายนี่เรื่องของสาวกกวดดีเรื่องขอพระพุทธเจ้ากวดดีหากห้าหน้ามาที่มีแจงหน้าสอนใจ มันเป็นขัดสิโมลุ่มหลวงโมมอเมาโมเผื่อเพื่อนเป็นท่านโมห้เห้าป่ะมาเป็นท่าให้เห้าสั่งคนน่ความดีให้มีแจ่สายแใจของเห้าหนึ่งสวกเห้าวันั่เอาประวัติของเพนโมนั่เอายามาแก้โลกนี่ใจแก้ไขนี่แก้เจ็บกปวดแกที่ล่มที่ตายขม๊กขวานยามากินเถอะโรคไข้ไหาย มันจะได้าวิขืด้วยถึงไปใจสองเฮาถ้านองคนผิดมีโลคแล้ววารักษาโรคโบมัโรควันโรคไอ่ที่มันจะหายได้โรคลาพังกโรกลักษาโรคกิดปัญหามมนจะหายได้หาเข้านั่ยานาธรรมะถือพระพุทธเจ้าหรือระวัดตรงสาวกถั่วไปมาอนใจของเฮาความหลุนหลงยิ่งเยิ่างๆมันะเบากระบางไป หพ่อจเจ้าคนซ้อนไว้พึกอนเนี่ยทั้นน่งแต่นื่งชื่อท่านพระท่ามาขันมันหน่อยเนื่อได้หรอไถสิเต้ยันจบยันหาักมหล้ายหลวงขนาดนั้นนี่คือทื่พท่นบัญญัตไว้คือกันกับผ่าพรท่านสบายเชิงใส่ไมส้อนในโลกเนี่ยมันมีหลายนับโบได้อาหารการกินเนี่ยนับบได้ทาง ทอนทอนสบายเลยหา้อมได้อยากซื้อได้ต่ซื้อได้สิ่ใดซื้อใดไม่ต้องไปซื้อเอาหมดดอกเงินดอพ่อหันไปซื้อเอาหมดเอาจช่ที่ห้องพ่้งพ่อใจมาตัดมาใส่มาหนุนมาห่มอาหารจะเอาจซืสิเาอยากเาต้องการมายอะมาจินมันจะอิ่มถ้ทมาให้องพี่เจ้าเพื่อกันแต่เงินีท่านพธรรมขันไม่ต้องไปเลื้ยงหมด เี้ยนเอาอันใดอันหนึง่งก็่พ่อละพอไม่ชินไม่ใจหากเขาตั้งใจศึกษาเราเรียนจริงจริงังจังก็ดีเรียนโดยเฉพาวัวชืบบน่นนอกจากที่เลียนใจั้งเจ้าของแต่ท่านทั่วไปก็งกเขามา้าสืกกาส่เขามสากูยจูใจเชื่อเหรเห็นห้าวเเพื่อปฏิบัติโลกส่วหลวงมันเกิดขึ้นจากนี้ กิจไพมันเกิดขึ้นจากนี้ความทุกข์หาักลาบากลาข้างมันเกิดขึ้นจากนี้มาเกิดขึ้นจากบนอืนยิงฝ่าอากาศมันบ่มีเลือดปัญหามานาทุกสีบ่มีอวิชาอุปาทานอันใดเข้าสู่กรรมนี้มันขนาดใดมันจะสนไปตามธรรมชาติเขางมันหรือยั ง, นะงมน่น้ำห น, นาวมันก็หนาวยามห่อนมอันก็ห่อนยามฝนมันก็ตกตามเรื่องตามลาวของมัน ห้องสีดาวาขนาดใดไม่นบ้เคยฟังเสียงห้องห้องสีช้ะส้นขนาดใดไม่จะโม้เคยยีดใจกรับข้ามช้นลสของคนแต่ยืดใจของคนไปเป็นท่ามนั่นเดขบวัวถูกหูดาวาแนวสันโวยตาแดงจนบมดพีิกขึ้นมาหน่าตาเป็นยักจนมากร่างกายอันนี้ หากเามีจิตใจมัน่งจยึหยังบบเขสจนาสีจะตากันจะยดหยังเพราะมันมีจิตใจเส้นตายแล้วไปเผาไปสังไปถี่ไปเท่ยวี่ใดเลยยืจังสันช่วยอนกับถอนใหม่ถานซื้ออันนี้มันเป็นผิดออกมาจากใจช่วามเย็ดความถือต้อย็ดความของความเรื่อนี้อาจมีท่านไ่ใจไปย็ดอันนั้นถืออันนี้มันไมวะจังสั่นจังสี่เลยเลย สมมดิักดีหมดความห่วเหวนเป็นจิงไม่จิตไม่ใจมันโมจะแดงออกได้เนอนกันทรกับธาตุธจันทมันนี่ยกแต่เหนื่ยหมอกมันก็คิดหลังแตงมันบทซองออกมาได้จะสร้างจิ๋งมันนี่แต่นั่นเป็นเจ้าเหตุกำจัดขับไล่อยู่ตรงขับผมยึดใจคี่สว่างสวัยคือสงบเย็นนั่นให้มันลดไป เหมือนกันครับคนหรือเรล่นมันไม่เบิกเม็ออกไปพ้าทีพระจานทร์กัสายแสงออกมากให้เห็นหนคนที่ทําความฝากความเที่ยงทิ่จะหน้าท่ากำจัดครับลายความสุขแตาท้าในใจกับถ้าน่องเดียวกันนับ้ันนับขึ้นสิเห็นความสงบความฟุ้งความเจริญคองมิดความใจเห็นโทษเห็นทุกข์ส ความหยุความถี่ขงตนยุดเลยคลองเลยใส่เลยฟึเลยสบายพราะการชำระาสงยุดใจให้ฟุ้ให้สบายได้หยุใจเป็นของถี่ชำระได้ของถี่ฟึ้ได้ของถี่อบรมได้กอใจเจ้าสอนสมัยก่อนสอนทำลายยางนี่นี้ขงหี่เกิดขึ้นเฮ้นขึ้น ในจิมในใจท่องตนนี้ความฟุ้ตนนีความสงบตนมีความรู้ความเห็นความสะ่าดในการละเว้นจากตัวแก้ไ้กายใจท่องตัวชีชั่วชีวเสียมันจะเป็นที่ย่อมใส่เป็นที่ก่ายของประธาตส้นคนละเม่งชั่วไปเล่าทุกเล่าหยากร่ำลำบากลำข้ามเพิ่มขึ้อย่างที่จะามั่วมีเข่าคว้องเงินทอมอันไห เพืนจังนี่หน้าตาหยิ่นหยิ่งแจ่มสเพื่อจะมี่ส้มกความสบายคอถือเป็นทุกขังใจเขาไปฮะคถืมีความฝึกมันแต่ว่าพรค่ายเบาบางใจได้ยิ่งทุกยิ่งเขาฮทุกมันแตว่นี่ขางไหนที่แกใช่ใจห่อนสญเช่ไขมันจะม่ในใจใหม่ทิ่เขาโอ้เท่าน่ะจะนั่นคนเรร่อนหยิ่งหยิ่งจนทกขังสทุกขางใจจังยิ่งไป สุวัตสุว่าหาทางหาเจ้าเพือนนี่อัดนี่ําำเจสเลยแม่นั่งตักเตือนท่านจิดท่านใจเฮยเย็นเฮยสบายเหมือนกันกับคนขี้ชกกระปงจะต้องยิงไปห้าหน้าขี่สะอาดมาล่างมาซ่อมละเรองกระโกงเน่าหลุมไม่ัวไม่สวหรอิเต็มตนไมไปสู้หน่างชกกระปน่าง เหมืนหนังขวดก็หนังแค่เหมือนล่างแค่ได้มันโบออกเพราะตัวก่อนหน้าก่อนเหนือนอยู่แล้ยวหน้าคือมั้งจำละท่าสาล่างตัวก่อนเน้นอีกไม่ได้โบออกโบเพี่ยงหายแต่นั่นคือถิ่นีูเซตีเป็นหน้าถิ่นยูเตายูตาถิ่ไข่ชิซิเจน่าเขาจังวิ่งต้นอยงอยไกทนานได้เท่ากไปหาครับหนังมันสะอาดโดยสเดั้าะ แสงหล่างตัวให้สะอาดให้สบายเนื้าวัมันสิบวเด่นนะเกาะมาอาศัยมาไต่มาตอมหลายเหนื่อยหลังกายสบายนั่งจะสบายนอนกจะสบายไปมาทั้งไดก็บ่กอยากอายคืออินบอกลัวกับพราเขาจิตเหมเหนือเม้นตัวของเล่าเพราะเราทำลายสะอาดแล้วเขาจึงแสดงหาสมัยไปจุบันท่านต่างเขาไปเหุ่น คอาอาจารย์ที่จะมีอัฐมีท่ามบอว่าไก่ว่าไส่ไหลมากคือมหาอัฐหาท่าจากเพลินหาความเย็กเย็นจากเพนหาความฟุกจากเพนเห็นหน้าเห็นตาก็ยินมยันแจ้นไสเดะสบายอันใดเลยยิ้มดีในจิตในใจเลยตาเบายาเป็นที่มมง้นแก่ตนจิตใจเย็เย็นจิตใจเป็นฟุก เพรคนี้ขั้งสุกคนี้อาจมีถ้ำมันถิ่นร้อนมันตเตยบอลมันเนาวมันหน็งน้ำมันก็น่ยนใสน้ำสะอาดมันก็มีน้ำเหนาน้ำเหน็มันก็มียิดใจของเฮ้าเข้ากันล่ะความเนาวก็เหน็ก็ียวความหายแต่มีความดีความดี เกคทุกคสบายงี้ก็มีเดี๋ยวของฝากของเจ้ากับท่าน่งเดียวกันโลกอันนี้มันป็นมันคืนคือกันหมดเห็นเนาทุกตัวสบานสีทุกมดเห็นเน่าสว่างหรืว่าพื้นสีสว่างมดมันมาเป็นท่านนั่งน่ะสิมีปัญญาเช่ไ้มสีแก่ไขตัวเครื่องวนี่ส่วนัวเพิ่มดูได้ที่นีสกายสุใจ คนบนมี้เป <t ip le> uh ็นหน้าบัวช่าอันใดขาดทิ้งคุนก็ไล่ทัางนั้นมันจะหายีเมจินาใจตองเดี๋ยวทำจิงมไหลสิทำไปตามอาเภอใจหายพแเจน่าห้ยแยบคาเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าสอนอย่าคืบกันถ้านท่าสี่เป็นเป็นพระพุทธเจ้าเปนกระบวสอนนะห้เชือเราตัดทครบดย่างเย้ยนะคุณอินเดีเสือบัเดยว่า ใทีเยนาด่ยตัวเองเหตุผลมันเป็นจริงอย่างหลายจังคอยเสือใหม่เสองนหน้าทำพงศุภะเจ้าก็สอนเวเข้าข้ามงเงินท่านบ่ได้สอนขม่งอื่นพากานทีนี้ทีเยนาซื้อาชีวิสีว่าเขาเ้ามันนับหมู่สันเขาไปสั่นเข้าไปซื้อกันก็เท่าหูต่ำหูนี้เด็เจ้ามือได้เสินสิ้น ผูกซการเผด็จการท่านฟ้าก็งดไปแล้วร้ถิ่นไปแล้วยั่งอยู่ฝั่งนานี่กันนิดเดียวผูกวันเวลาถทานไปไปแล้วตงไร้จนชิดิดส่วนมีอยู่ยนห่อยเชี่อมในี่ระยการท่านฟ้ามาถึงปัจจุบันวันนึ่งคนงามความดีถืล้วได้มีอันใดแม เดี๋ยวตรวตาที่ใจญหน้าไหมในจิตในใจเขงเห่า้าเข้าวมี่ยระบเล่นควนขวายเวันเกิดมันเต็มมันเหวนมันหึโบย่างนั่นขัาสมดใส่นี่คือระยะสั้นในขันษาหรระยะต่างก็ว่าได้คือระยะสั้นก่อนนพี่ใจหน้าไวันนึงนนึงสิพานใส่จิตใจเขาเห่าเดยกระบอบพงามคว่ำดูยางไดใจเดี๋ยวฟองใส่หยดเย็มรือใหม่เรืนอยู่วนไหว่นะจึงถือว่าเป็นตาที่แตก ตรวจตาที่แจหน้าบ er, er, ึงงาคนันเดินชีวิตงเฮาเกิดมาจนกระทางปัจจุบันท่านตานี่อันใดเปดีเเศษในส่วนข้าวแลวความดีน่แ้งแจ่นุ่ยเนงยหนอยูทางหนาถ้ามันหน่ยอีกขางหนากะดีกเดินกระทั่งมันเท่นไหนมันเห็นมันรู้ไหมันใดมันถึงเสียขอชีวิตนึ่มันวนไป ขนาดน้นตะวันมันก็บข่อยเหล่านันเดือนมันกับขางแร้งแล้วน้ำว่นหีแสงลงไปไก่ตายเท่านั้นเลยยามยุกยึดยุกไก่ทองตัวการระพิปฏิบัติบอย่างนั้นมันก็บโบตูนบอเซนเห็นได้ยิดไก่ยปล่อยมันไหวยู่ถ้าน้องเกามันกะบโบหลเท้าเข่าถึงอย่าอัดแรงท่าให้ยใจว่ามีอัดนี้ท่ามันกับดำกายดาก็เสาเกาม้อหลบกับ้ายโกรธกับ้ายล้มกัล้าย ขี่เหลดนันเดวมีตำลักตำล่ามาอ่านเหรอเดินหรอกทำของกุฏิเจ้ามีตำลักตำาเราอยดอ่านอดากศึกษามันกต่พออ่านได้แต่ไม่มีการนีสมัยหรอกมันสือเกิดขืนการเงินงี่เงี่ยขี้เหล็นีห้องถือตั้แใจวันพรวันเจ้าถือตังใจการเข่าขี่เดินจงกรภาวนาจงคอสีตำลัจงคอสีจงร่วมใจกับขี่เหลด มันหมดเดือิวกนยกว่ตามขี่ยกวาตามงังยก่ตามนอนอย่กว่าตามมันเกิดขึ้นไาเพราะฉะนั้นการมีสติรักษาใจคนจังเหยี่อยู่ทุกระ ย, ยะทุกเลล่างยังสิปล่อยสติเรื่องหลงไปในะตัวคิดถึงเรื่อขึ้ น, น, น, นเรื่องนี้นเรื่องิอาวิสาเรื่อง ปัญหาอุปทานเป็นเรื่องสมุทัยก่อนหกายเหง่ใจเย็นร้อนนี่เป็นเรื่องมากที่จะแก้ไขเกลี่ย้ามีสติถูกสอบที่มีผู้แยหน้ามันจะทราบอย่างมันเป็นทางเป็นทางะะดี๋ยวมันเป็นผิดเป็นไิ้แล้วก็นู่นมันขมตายนั่นมันใสอย่างใดมันเป็นอย่างช่ำระช้าสางท่านวิตทนใจเหงื่อเย็นเบิบานเย็นแย็นใจง่ายก็รักษาเอาไว้ความจุความฝืนทางใจ หากเรามีสติรักษามีแั่หนาในสอนตัวเองมันทุกได้มันสบายได้ต่างใจได้พอเสดหลายมี่งเสพหลายทุกหลายสบายมากใจบอดีเชื่องอันเดียวเท่านั้นแหะอีู่ที่อาศัยสิ่งในตปันใดอาหารการกิ้มสิเลอะเลอะขนาดใดมันก็จิ้มบ่ได้สนใจมันปวดมันแข็งใจมันทุกบ่สบายครับตมันมากมากขนาดใดใส่ใจ มันโดยสุขโสบายมันไม่มีความสุขให้ความสุขมันอยู่กับใจของเฮาเห็นใจไหลสอนใจสุดใจออ้ร้องใจใจที่ดีอันนี้คุ้นข้าร้ายว่าผู้หญิงว่าผู้ชายว่าเด็กหน่อยว่าผู้เถาผู้แก่หันใจว่ดีใจชั่วใจเสียละเขาปันได้เขาขอว่าเขาก่าหวะเถาปะเขาบ่อเาวิมีอัดมีท่ เขาตำานิยิ้มาอยู่หลานทั้งหลายก็บอกเพียงขำหอกหอกตัวัวของหอาบอกว่าเป็นเถาวันแชเถาวมานะเถาวิชิเถาวเวเป็นเจมีก็หลุดของหลานเขาก็เขาลดการหวายลุกหลางที่ว่ามีอาชีพทา คนอื่นยังไม่มา